บันทึกของผู้แปลาจากเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆที่ข้าพเจ้าได้แปลามาเช่นเรื่องของนายแพทย์วิกแลนด์และเอสเทลโลเบิร์ดเป็นต้นรู้สึกว่ามีหลักเกณฑ์ในการต่อสู้กับผีที่ร้ายๆอยู่บางประการดังต่อไปนี้ 1. อย่ากลัวโกรธหรือเกลียด เพราะอารมณ์เหล่านี้ทำให้จิตของเราไม่เป็นกลางและทำให้จิตอ่อนแอลง 2. จงทำใจให้สงบและนึกแผ่เมตตาหรือถ้าจะว่าทางแบบไทยก็คือกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้นั่นเองแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำใจให้สงบคืออย่าตื่นเต้นด้วย 3. ข้อสำคัญที่สุด คืออย่าวิ่งหนีเป็นอันขาดเพราะถ้าทำเช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายนั่นเองการสู้กับผีต้องสู้ด้วยใจคือด้วยกำลังใจหรือที่เรียกกันว่ากำลังภายในและกำลังภายในจะเกิดก็ต่อเมื่อจิตเป็นกลางคือสงบหรือปล่อยวาง บทเรียนจากเรื่องนี้พอจะรวบรวมได้คร่าวๆดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่หลงตายนั้นย่อมพาเอาโรคและความทุกข์ของร่างกายติดตามไปด้วยแม้หลังจากตายแล้วสำหรับบุคคลประเภทนี้ความตายจึงไม่ใช่การสิ้นสุดของความทุกข์แต่อย่างใดเขาต้องได้รับทุกข์ทั้งก่อนตายและเมื่อตายไปแล้วก็ต้องรับทุกข์หนักยิ่งขึ้นอีก 2、ผู้ที่ตายไปโดยยังมีอุปาทานหรือความเป็นห่วงกังวลอยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้นชื่อว่ามีอุปาทานในสิ่งนั้นถ้าอุปาทานนั้นมีลักษณะที่หยาบมากก็ย่อมทาให้ไปเกิดในภูมิที่หยาบมากเช่นเกรชเชนในเรื่องนี้และก็อาศัยวัตถุที่เนื่องกับกายของตนนั่นเองเป็นสื่อให้มาแสดงปรากฏการในโลกนี้รู้สึกว่าคติของไทยโบราณเรา ก็ดูเหมือนจะรู้เรื่องอยู่บ้างเหมือนกันจึงไม่นิยมนำของใช้ของผู้ตายติดไว้ในบ้านของตนเลยโดยเฉพาะของผู้ที่ตายในลักษณะที่ไม่ค่อยดี 3. กระแสแห่งเมตตาของผู้มีกำลังสมาธินั้นสามารถจะทำให้พลังที่ร้ายๆของโอปปปาติกะหมดอำนาจได้ สำหรับผู้ที่ต้องการหลักฐานของไทยบ้างขอแนะนำให้อ่านประวัติของท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตจะเห็นตัวอย่างในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแต่สำหรับผู้ที่คิดว่าตนเป็นผู้ทันสมัยต้องการหลักฐานพยานข้อพิสูจน์อย่างแจ่มชัดคือต้องการให้มีนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งมาเซ็นชื่อรับรองเรื่องนี้ด้วยนั้นก็เป็นอันว่าไม่ต้องอ่านดีกว่า 4. ความปักใจอาฆาตคุ้มแค้นผู้อื่นนั้นไม่เป็นผลดีแก่ตนเองไม่ว่าตนจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็ตามเพราะเป็นการเผาลวนจิตใจของตนเองทำให้ตนเองต้องตกนรกอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ที่ถูกอาฆาตนั้นมีความอาฆาตตอบด้วยก็เป็นการทำให้ตนอ่อนแอลงไปอีกเพราะไปร่วมกันตกนรกด้วย แต่ถ้าผู้ถูกอาฆาตไม่ยอมตกนรกด้วยผู้ที่คุมแค้นอาฆาตก็จะต้องได้รับโทษทุกข์และทรมานไปฝ่ายเดียวส่วนการที่ทำร้ายผู้ที่ถูกอาฆาตได้หรือไม่นั้นก็สุดแล้วแต่กรรมในปางก่อนของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยสิริพุทธสุท